ทำบุญให้คุณพ่อบรรยายม่วนที่สามีนาคมพุทธศักราช2545วันนี้เป็นวันสำคัญที่คุณโยมมอมราชวงศ์ชัยวัฒชัยยันได้ถึงแก่กรรมจากไปครบ100วัน และครอบครัวมีคุณโยมจริยาชัยยันเป็นประธานพร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือก็ได้ประเพณีกุศลตามประเพณีและตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะอุทิศกุศลให้แก่ท่านแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยธรรมะ หัวข้อใหญ่ก็คือกระตันยูกระเตวทิตาธรรมได้แก่ความระลึกถึงคุณความดีของท่านแล้วแสดงออกให้ปรากฏพร้อมดังธรรมะอื่นๆมีสังฆาธรรมมิตรธรรมเป็นต้นโดยเฉพาะสำหรับบุต ธ, ธิดา น, นั้นก็เป็นการทำหน้าที่ตามหลักความสัมพันธ์ ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ในวินัยชาวพุทธตามหลักทิศหกคือหน้าที่ของบุตรธิดาต่อวิดามันดาที่ว่า 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเมื่อมีกำลังก็เลี้ยงท่านตอบแทน 2. ช่วยเหลือทำธุระการงานของท่านส ดำรงรักษาวงตระกูลสประพฤติตนให้สมกับเป็นทายาทและข้อสุดท้ายข้อที่ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญุทธิศให้ท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าบุตรหลานก็ได้ทำหน้าที่มาครบถ้วนถึงข้อที่ห้าคือท่านจากไปก็ทำบุญุทธิ์ให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันไม่รู้จักจบสิ้นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คงอยู่ตลอดไปตลอดชีวิตของลูกหลานเมื่อมีโอกาสก็แสดงออกด้วยการอุทิศกุศลและการอุทิศกุศลนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะในพิธีเท่านั้นแต่หมายถึงการอุทิศด้วยใจที่ทำได้ตลอดเวลา คือระลึกถึงคุณความดีของท่านมีน้ําใจก็ทําความดีโดยมุ่งหมายไปที่ตัวท่านแล้เมื่อเราทําความดีนี้ใจระ ล, ลึกถึงท่านก็เป็นการแสดงออกที่เราเรียกว่าอุทิศกุศลอุทิศ ก, ก็แปล ว, ว่าเจาะจงหรือใจมุ่งไปที่ท่านนั่นเองเรียกว่าอุทิศเมื่ออุทิศกุศลก็คือนำเอาความดีที่เราทําทางกายวาจาและทางใจนี้แหละ มุ่งว่าเราทำโดยมีใจละลึกถึงท่านหรือทำเพื่อท่านใจละลึกถึงท่านก็คือว่าตัวท่านวิดามารดาเป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยใจอยู่กับความดีเช่นท่านได้สั่งสอนแนะนำไว้ละลึกถึงความดีแล้วก็ทำด้วยใจที่ละลึกถึงท่านความละลึกนั้นทำให้เรามีใจอยู่กับความดี แล้วก็ทำเพื่อท่านเพราะว่าใจของวิดามันดา น, นั้นนึกถึงลูกก็ได้ความรักเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกเป็นคนดีเมื่อทำก็ถ้ากับ ว, ว่าสนองนับใจท่านเหมือนอย่างพ่อแม่จะอยู่หรือจะจากไปก็ตามเมื่อลูกมีความดีทำความดีมีความสุขความเจริญจิตใจของท่านก็มีความเอื้ออิ่มเป็นสุข นั้นลูกที่มีความเคารพรักกตันยูกัตเตวทีก็ทำความดีการทําความดีนั้นก็เท่ากับทําเพื่อท่านไปในตัวเพราะช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สบายมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความปรับปรื่มใจเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญพ่อแม่ก็ยิ่งมีความสุขโดยแม้จะยังไม่ได้ทำอะไรก็ทำให้ท่านได้มีความสุขในตัวแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณที่เราเรียกกันง่ายว่าเลี้ยงใจ แม้แต่ตัวเองยังไม่มีกําลังจะไปเลี้ยงดูท่านทางกายลูกตัวนิดนิดเดียวก็เลี้ยงพ่อแม่ได้คือเลี้ยงทางใจด้วยการตั้งใจทำหน้าที่เช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นทำแต่ความดีงามไม่ทำให้ท่านหนักใจอันนี้การทาบุญทากุศลแต่ละครั้งที่เป็นวิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการเตือนใจของเราให้ระลึกถึง ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบิดามารดาปู่ย่าตายายกับลูกหลานนี่ก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับ ว, ว่าวิธีกรรมนี้มาเป็นสื่อสำหรับให้จิตใจของเราเนี่ยโยงมาและลึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยงไปถึงตัวท่านผู้ร่วงรับไปแล้วก็คุณธรรมความดีต่างๆก็ พรั่งพร้อมมาเราก็ทำความดีเหล่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้โดยเฉพาะในพิธีอุทิกุศลนี้ถ้ากล่าวตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ห้าประการด้วยกันซึ่งชาวพุทธควรจะได้นำมาทบทวนกันอยู่เสมอสม อ, อาจจะทบทวนทุกครั้งที่มีพิธีก็ได้จะได้ไม่ลืม วัตถุประสงค์หประการนั้นก็มีในคำบาลีที่พระพุทธพระสงฆ์สวดกันอยู่เสมอแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีว่าอา ญ, ญจะโขทักขินาธรรมาอา ญ, ญจะโขทักขินาทินนาสังคำ์ำหิโุปติติตาเป็นต้นรวมความก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งว่า การทำบุญที่การทำบุญเรียกว่าบำเพ็ญทักษิณานุประทานนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ลงรับไปแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งคือเพื่อเกื้อหนุนท่านในภพที่เราเรียกว่าสัมปรายะและการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมหรือญาติธรรมญาติธรรมก็แปลว่าธรรมะต่อญาติหรือหน้าที่ต่อญาติตามฐานอันนั้นต์ ถ้าเป็นบิดามารดาก็คือเป็นการทำหน้าที่ของลูกหลานที่แสดงความกตัญญูกตวเวทีเรียกว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรมอันนี้เมื่อได้ทำพิธีแล้วก็ได้ทำบาเพ็ญหน้าที่นี้ประการที่สามเปตาณปูชาจกตาอุลาราแปลว่าได้ ก็ทำการบูชาพระคุณของท่านผู้ลงลับไปแล้วนี่ก็หมายความว่าลูกหลานหรือคนที่เคารพนับถือมาทําพิธีก็เป็นการประกาศพระคุณของผู้ลงลับว่าท่านมีคุณความดีที่ทําไว้เช่นได้เลี้ยงดูเรามาหรือว่าเป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่ดีงามเมื่อ ล, ลึกถึงท่านก็ทําให้เราจะต้องมาแสดงออก การแสดงออกนี่ก็เป็นการบูชาพระคุณความดีของท่านไปใ น, นตัวแสดงว่าเราเชิดชูยกย่องให้ความสำคัญไม่ใช่ละเลยทอดทิง้งไม่ใช่ว่าเราไม่เอาใจใส่เราแสดงออกแล้วให้ความสำคัญเทิดทูนบูชาเรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านและกถ t กกวาง n g ขาอมาไปก็คือสามารถจะทาให เป็นแบบอย่างคนที่รู้เข้าใจก็เป็นโอกาสที่จะได้รละลึกถึงความดีของท่านผู้รวงรับลูกหลานก็จะได้มาเตือนใจแล้วก็คอยประพฤติปฏิบัติแล้วลึกถึงความสอนสิ่งที่ท่านเตือนไว้อะไรแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเมื่อใดก็เราก็เรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านทุกครั้งไปต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่4ี่ พลันจพิขูนามนุปทินนังก็แปลว่าการทำพิธีสักษนานุปทานนี้เป็นการถวายกำลังแก่พระสงฆ์ที่จะได้สามารถปฏิบาาัติาศาสนาต่อไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยพุทธบริษัทสและการในพุทธบริษัทสี่นั้นผู้ใกล้ชิดเหมือนกับว่าเป็นส่วนกลางเป็นแกนกลาง สืบต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้และก็รรทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเผยแพร่ธรรมก็คือพระสงฆ์ญาติโยมก็จะได้มาอุปถรัรมภ์บำรุงเกื้อหนุนถวายกําลังแก่พระสงฆ์ในโอกาสต่างๆพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานแด่ท่านผู้ลงรับนี้ก็เป็นโอกาสสําคัญครั้งหนึ่งที่จะได้ถวายกําลังแก่พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่มีการเลี้ยงพระตาหารเป็นต้นให้ท่านสามารถ มีสุขภาพร่างกายพออยังพอไม่ต้องกังวลด้านวัตถุจะได้ทำหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่คำสอนนั้นแล้วก็เราก็ชื่อว่าได้ช่วยกันสืบต่ออายุพศาสนาไปเบื้องหน้าให้ยาวนานอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการที่สี่ต่อไปประกาศสุดท้ายตุมเหปุญญัง ปัสสุตังนับประกังก็แปลว่าตัวท่านเจ้าภาพเองก็ได้ขนขวายทําคุณความดีคือบุญต่างๆไว้ก็คือว่าตัวเจ้าภาพเองก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาก็เป็นบุญกับตัวเองก็มาลงที่ข้อที่ห้ารวมแล้วทําเพื่อผู้โนู้นผู้นี้เพื่อท่านผู้หลงรับเพื่อพระศาสนาอะไรต่างๆในที่สุดก็มาลงที่ตัวเองก็คือเรานี่แหละได้ทําความดี นี่คือวัตถุประสงค์ห้ประการที่เกี่ยวเนื่องกับการทําพิธีอุธิกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัแสดงไว้แล้วประสงค์ก็มาสวดเป็นภาษาบาลีทุกครั้งทุกครั้งแต่ว่าบางทีเราไม่ได้แปล ก, กันเรก็เลยไม่ทราบฉะนั้นก็ชาวพุทธเราก็มาทวนกันไว้ทีนี้วัตถุประสงค์ห้าประการนี้ถ้าจะมาจัดแยกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ คือโดยลำดับที่หนึ่งแน่นอนว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเจ้าภาพผู้ยังอยู่กับท่านผู้ลงรับจากไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นอันนี้อันดับที่หนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นการทําเพื่อสังคมซึ่งมีความหมายกว้างออกไปก็คือการปฏิบัติ ที่แสดงความสัมพันธ์ด้วยคุณธรรมมีความกตัญญูกตอเวทีเป็นต้นเนี่ยก็เป็นธรรมะสาคัญที่จะดํารงรักษาสังคมเริ่มตั้งแต่วงแคบที่สุดก็คือครอบครัวทําให้ครอบครัวเนี่ยมีศูนย์รวมมีที่รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันพระบุษรบุพการีจากไปแล้วลูกหลานไม่ลืมมีการทําวิธีอย่างโบราณนี้ก็ ทำให้ลูกหลานแม้จะจากกันไปอยู่ไกลๆปีหนึ่งก็ได้มารวมกันครั้งหนึ่งบุพการีนี่เป็นศูนย์รวมของลูกหลานที่สาคัญมากไม่ว่าจะอยู่หรือจากไปจากไปแล้วก็ทำให้รวมใจกันแล้วก็มาพบปะกั น, นทำให้ครอบครัววงตระกูลเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกหลานสมัครสมานสามัคคีอันนี้ก็เป็นประเพณีแต่โบราณที่ทาให้เราเนี่ย มีความยุดเหนี่ยวกันไวเป็นสังหารธรรมประการหนึ่งและกว้างออกไปก็คือยุดเหนี่ยวสังคมนั่นเองเมื่อวงตระกูลยุดเหนี่ยวกันต่อไปก็ท้องถิ่นชุมชนก็รวมกันไปอันหนึ่งอันเดียวกันนะคนที่มีความสัมพันธ์กว้างออกไปก็ทำให้คนจานวนมากก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันนานๆก็มีพิธีที่ทำให้ได้มาพบปะสังสรรค์และทาการที่ มีใจและลึกเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อทําไปทําไปก็เลยกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็ทําให้เกิดมีวัฒน ธ, นธรรมประเพณีทําให้สังคมมีเอกลักษณ์มีความงดงามมีวัฒน ธ, นธรรมของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากเนี้ยสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วก็คือเป็นเครื่องรักษาสังคมนั้นแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมเองด้วยแล้วก็ทําให้สังคม มีความดีงามของตนเองซึ่งทำให้สามารถแสดงออกถึงความเจริญงอกงามนั้นออกไปแล้วก็ทำให้คนใหม่ที่จะเข้ามาในสังคมเนี่ยได้มีแบบแผนได้มาไปมีเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงภูมิหลังความดีงามประวัติศาสตร์ละไรแต่ไรของชาติของสังคมของตัวเองเนี่ยโยงก็ไปหมดเลย ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความหมายอย่างมากนี่เป็นเรื่องของความหมายทางด้านสังคมแล้วก็ความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านพุท ศ, ศาสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วก็เมื่อเราได้ทําบุญทํากุศล น, นี้ก็เป็นการเกื้อหนุนพุทศาสนานั่นเองหมายความว่าชาวพุทธเราจะระลึกถึงหน้าที่ของพุทธบริษัทอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าญาติโยมอุบาสุบาสิกามีเวลาน้อย ต้องขนขวายวุ่นวายกับเรื่องธุรกิจการงา น, งานการประกอบอาชีพเป็นต้นงานการก็ไม่อนุญาตหรือ ไ, ไม่เปิดโอกาสให้มาทำบุญทําวุศลได้สม่ําเสมอนักมีแต่บางท่านที่มีโอกาสมีเวลาก็ใกล้ชิดขึ้นมาก็ช่วยเหลือได้เต็มที่แต่หลายท่านก็ไม่มีเวลาก็เลยอาศัยโอกาสสําคัญอย่างเนี้ย ที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตแก่ครอบครัวเป็นต้นแล้วก็มาประกอบพิธีเรียกว่าปรารบโอกาสนั้นเพื่อจะได้อุปถัมภ์ บ, บัารุพระศาสนาคนนั้นวันนั้นคนนี้วันนี้ได้คนละนิดละหน่อยไปไปมาๆก็คือว่าได้ทางสังคมแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มีกำลังที่จะสืบต่ออุบศาสนาได้แต่ทางนี้ก็หมายความว่าญาติโยมต้องทาด้วยความเข้าใจความมุ่งหมาย เมื่อทำด้วยความรู้ตระหนักในความมุ่งหมายเราก็จะไม่เขวแล้วก็ไม่เป็นโอกาสที่จะไปหนุนคนที่มีเจตนาร้ายเพราะว่าในเมื่อญาติโยมมีศรัทธาบัตธรรมบารุงมากบางทีก็กลายเป็นโอกาสให้เกิดความเสื่อมเหมือนกันถ้าเราทำก็เรื่อยป่วยอุปธรรมบารุงไปก็กลายเป็นว่าไปให้ทางให้ช่องแก่คนที่มีความมุ่งหมายในทางที่ไม่ดี เข้ามาใช้ศาสนาเป็นทางของการทำมหาเลงชีพเป็นต้นเพราะฉะนั้นการทําบุญด้วยการใช้วิจารณญาจึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่ า, ว, าวิจัยทานหนังสุขตับประเสริประศัทธงก็แปลว่าการให้โดวยวิจัยหรือว่าให้พิจารณาให้จึงจะเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เมื่อญาติโยมทําด้วยใจพิจรารณาเห็นความมุ่งหมายชัดเจนแล้วมีปัญญาเข้าใจชัดว่าทําเพื่อคุณค่าประโยชน์อย่างนี้ก็จะทําให้เรารู้ช่วยรักษ า, าศาสนาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ด้านพระศาสนาแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าในที่สุดนั้นผลรวมก็มาที่ตัวเราเองนั่นคือว่าเป็นการที่ตัวท่านเจ้าภาพและเล่าทุกคนที่ร่วมพิธีนี้ได้ทําบุญ คำว่าทำบุญนี้ก็เป็นคำที่กว้างมาทำบุญก็คือภาษาไทยก็บอกว่าทำความดีแต่ว่าบางทีก็ไม่ครอบคลุมคาว่าความดีนี้ก็จะกินความคำว่าบุญนี้ก็ไม่ครบเพราะบุญนะั้นหมายถึงว่าคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตเนี่ยจเจริญงอกงามดียิ่งขึ้นคุณสมบัติเหล่านี้ก็มีหลายอย่างซึ่ง ท่านจำแนกไว้ในหลายระดับแต่สำหรับทั่วไปเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นทานศีลภาวนาทานก็คือการอยู่ร่วมสังคมด้วยการเกื้อหนุนกันการที่เพื่อฟื้เผื่ อ, อแผ่กันด้วยทางวัตถุทางทรัพย์สินสิ่งของแม้แต่ว่าวิทยาความรู้ก็ถือเป็นการให้ทานเราเรียกว่าวิทยาทานและก็ธรรมทาน และการเรื่องศีลก็คือเรื่องพฤติกรรมความประพฤติทั่วไปการสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมการอยู่ร่วมกันด้วยการไม่เบียดเบียนและด้วยการขนถ่ายช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาภาวนาลึกเข้าไปเบื้องหลังพฤติกรรมก็คือเจตนาต่างๆที่ดีซึ่งอยู่ในจิตใจเราก็พัฒนาเจตนา ความตั้งใจต่างๆแรงจูงใจต่างๆความคิดคุณธรรมความดีต่างๆสร้างขึ้นมาให้ไปจิตใจที่ดีงามตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่สามแล้วก็เป็นภาวนาภาวนานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นด้านจิตใจอย่างหนึ่งแล้วก็ด้านปัญญาอย่างหนึ่งก็พัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่เป็นเรื่องของความดีงามความเจริญความเข้มแข็ง ความสามารถของจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นในสมัยเดิมเมื่อทําอะไรท่านก็จะเน้นเรื่องปัญญาก็คือจะต้องมาชี้แจงอธิบายว่าที่ทํากันนี้วันนี้เราทําอะไรกันเพื่อความมุ่งหมายอะไรกันสมัยโบราณพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าฉันพัตตาหารเสร็จทรงอนุโมทนาก็คือกล่าวธรรมกถาชี้แจงอธิบาย ให้ญาติโยมได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มผูนปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนาส่วนปัญญาครบงี้ก็เรียกว่าได้ทั้งจิตภาวนาและปัญญาภาวนาผู้ที่มาแล้วจิตใจก็มีความสงบอยู่กับความดีงามก็เป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีงามก็จิตใจก็เ อ, อิบอิาภัมีความสดชื่นผ่องใสได้ทําความดีเช่นได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีเป็นต้น รวมแล้วก็จเจริญจิตใ จ, จเจริญปัญญาทั้งหมดเนี่ยทำให้ชีวิตของเราจเจริญงอกงามขึ้นเราก็พูดสั้นๆว่าทานศีลภาวนาซึ่งเมื่อทําโดยถูกต้องแล้วก็ไม่รู้จบเพราะฉะนั้นมาทําบุญครั้งหนึ่งนี่ได้ความรู้ความเข้าใจยิ่งปัญญาของเราเข้าใจกว้างขวางเท่าไหร่บุญของเราก็ยิ่งขยายเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสปุญญะไว้คู่กับปัญญา ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เป็นปุญญังกับปัญญาปัญญานี่ก็เป็นยอดสุดของบุญปุญญังนั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแยกเอามาถือว่าปุญปัญญาเป็นส่วนสำคัญของปุญญังปุญญังก็คือบุญ น, นี้เองบุญ น, นี้มีปัญญาเป็นยอดแล้วปัญญาก็จะเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกเป็นตัวขยายช่องทาง ให้ความสว่างทำให้บุญของเราขยายไปคนที่ยิ่งรู้เข้าใจทำอะไรก็ยิ่งได้ผลดีเพิ่มขึ้นนะั้นอย่างโยมมาได้ทำพิธี่าเป็นกุศลนี้เรื่องปุญญังปัญญาที่เนื่องกันเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเวลาทำบุญทำกุศลไปแล้วนอกจากทาเพื่อท่านผู้ลงรับนอกจากทาเพื่อสังคมเพ้าตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไป นอกจากทำเพื่อพระศาสนาแล้วตัวเองก็ได้ทำความดีทำความดีก็ทำความดีที่แสดงออกอย่างที่เมื่อกี้น่ะก็เวลาทาให้ผู้อื่นก็ตัวเองก็ทาความดีอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือลึกเข้าไปเนี่ยจิตใจดีงามจิตใจที่มีความเอิบอิ่มก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จิตใจที่มีความรู้เข้าใจ ก็มองตั้งแต่เรื่องโอเชนเรื่องการเวลาแม้แต่นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายการจากล่วงรับไปก็เกิดมรณะสติท่านก็สอนไว้ต่างๆอ้าวอย่างน้อยได้สติว่าการเวลาผ่านไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างท่านผู้ล่วงรับคุณโยมล่วงรับไปบัด น, นี้ร้อยวันแล้วสำหรับหลายท่านคงนึกว่าเวลาล่วงไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวเดียวก็ร้อยวันแล้ว เหตุการณ์ที่มีอย่างนี้จะเตือนใจเราบางทีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่รู้สึกเรื่องการเวลาก็ไปเรื่อยๆเหมือนก็อยู่อย่างเลื่อยเฉย<ม>พอมีเหตุการณ์สำคัญเราจะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้คิดว่าโอ้นี่ล่วงไปถึงเท่านี้แล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวสองเดือนเดี๋ยวสามเดือนร้ยอยวันเดี๋ยวปีเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าหรอกเดี๋ยวก็เป็นสองปีสามปีห้าปีสิบปี พอนึกขึ้มานี้เวลาผ่านไปถึงอย่างนี้แล้วหรือนี่เวลาที่ผ่านไปนี่จะเป็นเครื่องเตือนใจเรานำไปสู่คติหนึ่งก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ระลึกถึงความสาคัญของการเวลาแล้วก็มาสู่หลักของความไม่ประมาทว่า ชีวิตก็ตามสิ่งทั้งหลายแวดล้อมก็ตามเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไว้วางใจนอนใจไม่ได้มีกิจธุระอะไรจะทำก็รีบทำนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคติสาคัญของเรื่องของการเวลาที่เกี่ยวเนื่องกันหลักอนิจจังก็คือเตือนใจให้ไม่ประมาทนั้นผู้ที่ เราลึกถึงหลักอ น, นิจจังแล้วเนี่ยถ้าจะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องรีบโยงไปสู่ความไม่ประมาททันทีบอกอ น, นิจจังเตือนเราให้ไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนอนใจอยู่ไม่ได้เนี่ยมีกิจธุระหน้าที่ความดีอะไรที่ยังจะต้องทาต้องรีบทำอย่ามัวผัดผ่อนนอนใจไม่ได้อย่างเรื่องนักเรียนเด็กๆ เ, เล่าเรียนศึกษาเดี๋ยวก็ปีหนึ่งอ่ะจะมานว น, นอนใจอยู่ไม่ได้เนี่ย ก็ทําให้เราขยันหมั่นเพียรท่านเรียกรวมในคําว่าไม่ประมาทนี่ก็เป็นคติที่หนึ่งต่อไปในทางปัญญาทําให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตอย่างเรื่องของมรณสติเนี่ยทำให้เรารู้จักปล่อยวางจิตใจจะได้ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายก็เบาเบาสบายลงไม่ถือสาหาความอะไรนักในที่สุดก็ ทำไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาอันนี้ต้องโยงกับความไม่ประมาทคนที่ไม่ถือสาหาความอะไรนี่ปล่อยเลือล่อยเปื่อยแบบกลายเป็นประมาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านให้ระวังถ้าหากว่าเราทำใจได้พอใจสบายชักเลื่อยเฉยตอนนี้กลายเป็นอกุศลเกิดเรียก่าเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลเนี่ยมันคอยวิ่งคู่กันมาตลอดเลย คอยชิงอย่าเรียกพูดเหมือนเป็นคนก็คือชิงไหวชิงพริกกกบกันอกุศลกักุศลเนี่ยมาคู่กันตลอดเวลาถ้ากุศลมาเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลมันรออยู่ตลอดเวลาอย่าไปประมาทคนที่ทํากุศลเนี่ยถ้าทําไม่ดีแล้วอ ก, กุศลได้ช่องแม้แต่ทาความดีขั้นสูงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอนึกถึงหลักขนาดอนิจจังธรรมะขั้นพระไตรลักษ์แล้ววางใจได้ก็เลย บอกว่าปล่อยวางพอปล่อยวางก็เลยเลื่อยเฉยกลายเป็นปล่อยปละละเลยนะพอปล่อยปลาละเลยก็เป็นประมาทไปพอเป็นประมาทก็เป็นอกุศลแสดงว่ากุศลมาแต่ว่าเปิดช่องให้อกุศลจะละเลยเสียเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะย้ำเรื่อยเรื่องว่าเมื่อระลึกถึงหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังรู้ความไม่เที่ยงใจสบาย วางใจได้ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดถือมันแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องรู้ทันความจริงว่าการเวลาล่วงผ่านไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่รอเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบมีอะไรจะทําก็ทําอันนี้ใช้ปัญญาเราเรียกว่าอยู่ได้ปัญญาไม่อยู่ได้เพียงความรู้สึกถ้าทําได้อย่างนี้ท่านเลยก็เป็นสาวกที่เป็นอริยะสาวกเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอกุศลกับกุศลที่จเจริญคู่เคียงกันไปต้องระวังตลอดเวลา แต่ว่าผู้ที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยเมื่อได้มาทำบุญทำกุศลอย่างที่เรียกว่าร่วมวิธีต่างๆก็ได้ประโยชน์ที่จะได้เจริญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะข้อภาวนาเนี่ยจะกว้างขวางไม่รู้จักจบเลยจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปสู่โพธิที่ปัญญาพระพุทธเจ้าได้ปัญญาตรัสรู้ ก็เพราะที่ได้ปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นในบทสวดสำหรับพิธีบาเป็นกุศลนุทินแต่ท่านบุงร่วงรับเนี่ยก็จะมีบทต่างๆที่มาเตือนใจเราที่จะให้เราเนี่ยได้เจริญภาวนามากมายถ้าโยมสังเกตดูพระสวดไม่มีบทอะไรบ้างวันนี้อารมภาพก็จะนำมาพูดทบทวนนิดๆหน่อยๆพอให้เห็นหลักนะ เวลามีพิธีอย่างนี้พระท่านก็จะให้บทหลายหนึ่งยถาปิเสลาวิปุลาเป็นต้นนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ท่ามกลางภูเขาสี่ทิศ ท, ที่แวดล้อมอยู่ไอ้เจ้าภูเขาใหญ่มันวิ่งมาจากทิศ ท, ทั้ง4ี่เนี่ยเหมือนกับเป็นก้อนหินใหญ่จะเรียกว่าภูเขาก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าก้อนศิลาก้อนใหญ่เนี่ยมันกลิ้งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่เข้ามาบทขยี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ย อันนี้เราไม่มีทางพ้นไปได้อันนี้ท่านก็บอกว่าให้เราเร่งขนขวายอย่ามัวนอนใจนะเร่งทำความดีทำสิ่งที่เรียวกว่า บ, บุญกุศลทางกายวาจาใจเนี่ยนะให้เจริญงอกงามให้ทันกับการเวลานั้นอันนี้บทสวดที่หนึ่งท่านเตือนแล ะ, นะให้ญาติโยมได้คติจากงานพิธีเกี่ยวกับการจากไปแล้วต่อไปท่านก็บอกอ้าจากหลัก จากหลักเล็กหลักน้อยที่เกี่ยวกับชีวิตของเราทั่วๆไปเนี่ยเรื่องของความไม่เที่ยงการเกิดแก่เจ็บตายก็โยกไปหาหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เฉพาะที่เรามองเห็นกว้างๆเกิดแก่เจ็บตายหรอกทุกเวลาเนี่ยทุกขณะทั้งรูปธรรมนามธรรมก็มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ พระกะส็สวดบทที่สองเรียกว่าเอวามสุตังเอกังสมายังเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งได้ตรัสพระสูตรนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่เป็นธรรมดางสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นทุกขังก็จูดภายใต้ความบีบคั้นของปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาขัดแย้งคงทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่ยืนอยู่ตลอดไปแต่ว่าต้องเป็นไปนตามเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนั้นอันนี้ก็เป็นหลักพระไตรลักษ์เรียกว่าธรรมนิยามสูตรแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะสวดอีกบอกให้โยมรู้บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมันแสดงถึงกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ย เกิดขึ้นเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเลยก็หลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัิปัจจยาตาต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็จะสวดบทอวิชชาปัจจยสังขาราเป็นต้นเนี่ยบอกให้คิดให้ลึกลงไปว่าเบื้องหลังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็คือกฎธรรมชาติได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัย พ, พร้อม แล้วเราจะได้มองสิ่งทั้งหลายด้วยสายตาที่ถูกต้องด้วยการเจริญปัญญาไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจมองอะไรใช้ปัญญาสื่อสาวหาเหตุปัจจัยว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วสวดต่อไปอีกท่านก็บอกว่าบอกว่าพระใจรักทั้งหลายเหล่านี้ก็มาเตือนเราในการประพฤติปฏิบัติให้เจริญพัฒนาชีวิตของตัวเองปฏิบัติธรรมปจจุบังว่าในที่สุดก็สามารถที่จะบรรลุถึงฝั่ง ข้ามฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นที่ปลอดภัยคือฝั่งพระนิพพานได้นแล้วกระบทสุดท้ายยังมีอีกบอกว่าเอายังไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็เรื่องของการเวลาเรื่องของอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องท่านก็บอกบทสุดท้ายบอกอติตังนานวาคมยานัปปิกังเขอนาคาตังยัตติตามปบหินันตังอปตัญจนาคตังเป็นต้น ก็บอกว่าไม่มัวอย่ามัวไม่พึงมัวหวนล่อลอยความหลังลม่มัเ่เล่อหวังอลาคตา่อ่อล่อล่อ่งลดล่วง่ล้วก็ผ่านไปสิ่งใดยั่ไม่ถึ่สิ่งนัอล่อล่อล่อ่ได่สิ่งที่ทล่อล่อ่ออนคือปัจจ่บันอี้ให้มองเห็นให้พิ่ลอล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อลแล้ว ล, ล่อล่ลนนนะ่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อลาอล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่นลอ เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่นอนใจทําขนขวายตลอดเวลาท่านเรียกว่าพัฒเกระตตชนแปลว่าคนที่มีราตรีเดียวเจริญหมายความว่าแม้แต่อยู่วันเดียวก็โชคดีต้องให้เป็นได้ถึงขั้นนั้นคนที่ไม่ประมาทรู้จักหลักพระไตรลักษ์และเข้าใจชีวิตถูกต้องเนี่ยแม้แต่อยู่วันเดียวก็เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐเพราะว่าเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าปันเวลาผ่านไปนี้เป็นไปอย่างมีคุณค่า ได้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นคติต่างๆที่เราสามารถจะได้จากการทำพิธีบะเพ็ญกุศลทักษิณาอนุปทานซึ่งมาในรูปต่างๆวัฒนธรรมประเพณีนแล้วก็มาอยู่ที่ประชุมก็คือบทสวดที่พระธนัมมาสาธยายให้โยมฟังซึ่งมีสาระสำคัญเนี่ย ถ้าโยมได้อ่านได้เข้าใจคำแปลแล้วก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งได้ไปขยายความอธิบายแล้วก็เราก็นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ mm hmm. ก็เรียกว่า mm hmm. หลักธรรมที่พระนำมาสวดในวันนี้ mm hmm. ในพิธีนี้ mm hmm. ก็เป็นบทสวดที่เป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาพอสมควรวันนี้อัวงภาพก็ขออนุโมทนาคุณโยม เจริยาชัยยันพร้อมด้วยบุตรหลานทุกท่านและก็ญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญร้อยวันอุทิศกุศลแก่คุณโยมหมอมราชวงศ์ชัยวัฒชัยยันที่ท่านได้จากไปครบหนึ่งร้อยวันแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมญาติธรรมสังฆธรรม ก็ควรจะได้มีจิตใจยินดีจิตใจสงบผ่องใสว่าความดีงามหน้าที่ที่ควรทําเราได้ทําแล้วเพียงว่าสิ่งที่ควรทําเราได้ทําแล้วสบายใจไปขั้นหนึ่งต่อจากนั้นจิตใจก็ปรับพลื้มผ่องใสแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําได้เจริญทานศินภาวนาทั้งด้านจิตใจและปัญญาจิตใจก็มีความสุขสดชื่นผ่องใสให้เป็น ปัใจจัยแห่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกพันระหว่างบุพการีบิดามารดากับลูกหลานแล้วก็วงตระกูลแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายที่มาทําบุญด้วยกันก็แสดงน้ําใจในพระมวิหารธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะผูกพันให้เราอยู่กันด้วยความสุขก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีจิตใจที่ประกอบด้วยความผ่องใสชื่นบานเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะได้ทำบุญอุทิกุศลแก่ท่านผู้ลงรับแล้วจิตใจก็สดชื่นผ่องใสด้วยตนเองแล้วก็นำความดีนี้ไปเป็นพื้นของจิตใจที่จะขยายด้วยอป ร, ราพระเจตนาเพื่อให้บุญนี้ได้เพิ่มพูนพัฒนาเป็นพินโยภาพบัตเนียตภาพในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกุศลที่โยมญาติมิตรจะภาพได้บาเพ็ญแล้ว ขอบุญกุศล น, นี้ที่เจ้าภาพคุณโยมลูกหลานญาติมิตรได้ตั้งใจอุทิศแก่คุณโยมลูกผู้รงรับไปก็จงได้เป็นปัจจัยให้ท่านได้มีความสุขในสัปบายจพบขอให้ท่านหากได้รับทราบก็จงได้อานุโมทนาได้ชื่นชมยินดีและก็ขอให้ครอบครัวลูกหลานญาติมิตรเจริญด้วยจตุรพิธภณชัย มีกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญากําลังความสามารถขี่ที่จะได้ดําเนินชีวิตได้บริหารครอบครัวกิจการและกางานต่างๆให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้มีสันติสุขแพร่ขยายไป ให้ทุกท่านร่มเย็นงอกงามในธรรมทั่วการทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทิน